ขึนออกกนมาแยกดวง่เปนบริสันต์ยัใจมองทาเในงานตรื่องคามใจกันมาเป็นเรื่องที่กรรมฐานอันนี้ก็ขออนาตทุ้นใลกคิดว่าเรามีทีตรอบๆผันสายกันทางเนื่องนอกพะเจ้าไอ้นเดี๋ยวจะไปเดนใยวจร่อ เรื่องในชาตินึ่งกว่าีวิจริงเป็นของไม่เที่ยงแตความตายเป็นของเที่ยงไอ้เรื่องทั้งทานี้ที่เราเปขอไม่เที่ยงแต่กาตายเป็นของเที่ยงแิ่งถ้ามีคำว่าให้กู้โดยสลายคิดว่าที่เราไม่ได้การตายโยนได้ตลอดเวลาก็เที่ยทางดีเพราะว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดการตลอดไม่มีไี ตะวันหน้ามันก็ต้องตายนี่เรื่อ ง, ง, องอนนทั้งแต่ขางยุดิดถ้าราคิดถ้เราคิดไดอย่างนี้เสมอไม่ตอบก็ก็ื่อเจาตรงนี้ว่าจะเป็นมรณะในกติกกรรมฐานผู้ที่เป็นม ร, รณะกติกกรรมฐานนี่นรรมียาหนึ่งสงมาเป็นเรื่องของความแตไป่างแต่เป็นคนนี้ไม่มีความหมานในาจตาย และรายการที่สอเรื่องความตายเป็นปกติเราก็ไม่ทํามาทเลยทีวิตยวมีความรู้สึกว่าถ้าเราตายจากความในคนคำนี้เราจะไปไหนเราทราบู่แล้วว่าการตายเมื่อตายแล้วสภาพมันเลยขุ น, นมันพังแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้พังไปด้วย เรี่ยิตใจแม้ครั้งเรียการต้องมานี้ท so, um, so so ี่สมเด็จเสด็จสานุปถัมภจาย์องจากป่าจิเะทิเตะผู้ปฏิบัิมาแต่ก่อนที่จะตายด้จิตใจเราท้าหมอเราก็ไปเกิดในบโยมเพื่อเกิดเป็สัตว์นรกเพื่เจะเจริญายเกสติสังขอิสยาเจนเทือกปิติกรรมขา ก็องเตายก็จิตใจก็มีอารมณ์องสา้องเป็นสิงที่กิดาราสู้สัจนีน่จนท้งนหนึ่งจัองพาษาธรรมี่เรื่อง่งราพุทธบริันึ่งตยอยู่แล้วก็จะคิดว่าจะต้องตารื่งาบดบริัทุก่ที่มาในวันนี้ว่าเป็นตัารดีอย่างีจริ ที่ว่าเรนี้ไม่เจอเจ็ากที่มาวัดนี้หรือทาวัดไหนก็ได้เพระว่าวันใดนั่นก็จะเลยจับที่มานี่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเป็นคนมาจากที่อื่นเมื่อเรียางจังหวัดแต่ความจริงนักสงฆ์ท่านอยู่ใกล้ก็มีแต่ว่าถ้ามีสารมาที่นี่จะแสดงว่าจิตใจก็นใดก็จะไิจับนี้มีความเรื่องใสในทุ่จะับนายอเยี่ยมความจรงท่านว่าจะพุ่งบ อัรมณ์เป so ็ไหนก็เป um ็นผลแต่ว่า um ําลังใจก็มีว่าในเมื่อเรานออกศึก้าก็คงคิดว่าพระพิโรธจออกไปกษด้วยยังได้สร้างใจมาจอสมรดากับมาสารีศาสนากันมฐานสำหรับที่เจอสมรดากับมาสารีศาสนากรรมฐานนี้จะพูดอะไรสองปากเอาใจเย่ยงๆจังง่ายๆ ถาากว่าคุณจรใหสามันกิตเขานี้งอานิชามสมาธิคุณจะทสมาธิได้ก็สมาสิเล็้อยอย่าจะคู่ในึ่งทงานนี่ธรรนแนะนำว่าตัณาวนาวันละมั่งด้วยทางกำหนรู้ลงใจก็ออกเวลาให้ใจเข้านึกวันละมั่งเวลาใใจออกรูสป ใช้ทำนาลงแค่นี้แต่ว่าข่้นทาอนามยได้ให้ใจทอดรกรนักมาให้จจอ่อนรอบพัพัดได้รอบสวรรอบกับตกใจเส้ลอยไปสู่ที่อื่นคนดีคนนิสัยดีเข้ามาจับจับเข้ามาใหม่ว่านักมกรกรคภพเลยทำต้องทำหายใจออาไปที่อื่นกันนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิไม่ใช่ในตัวเลยมีคน อันีสามาถจงรได้อย่างนี้มันึมาป่างอยไปมากกว่าเข้ามาในความภาวนานอกวจิตอยต้อเรียนวิธารสมาธิคนเรคยนิธการสมาธิถ้าเลาจะตายอารมณ์มันอยู่ในวิธีการสมาธิเป็นสมาธิเรื่อน้อยจิก็เป็นส่วนนึ่งถ้าขาดขาคนก็เป็นจิวาช่งการมาลาจนมสวรรค์เพรว่าจะไปสามากะเลืองจะติดมและ จะดึงใจกันไปจะคอยดูแลรอว่าจะปลดสิิดให้ในรให้มกใจคนใดเอาอันนี้สมมติว่าทำงานผิดก็เป็นสูงวันนั้นนีดหนึ่งมีลาภาวนาไปได้เข้าใจเข้าอุปสระคมัไม่ได้ออกหรอกพระค่ะภาวนาไปภาวนาใจใจสบายสงบสงัแต่ไม่สงบเลยทีเดียวโอ้ยเสียงใจเนอก ใจราถ้ากะมายู่สักูหนึ่งกเดนหนึ่งสสานาทีองละทีร่งี่วปนหนึลยสวนอาถ้ามีสารที่พูยนาทนี้ก็จะมันจะกระจายกระจตรงนี้มีสิเสียความเมลดสบายกันยว่าการใายก็ะ้อนใส่นี่จะมันด้นก็จับลมใส่ใหม่ภาวนาใหม่ภาวนาไปภานการจิตจะขป็นสุดจะไปคู่หนึ่งสางสามนาทีก็ไปเจื่อีกแล อย่างนี้ท่านเรียนว่ากิจสุขัารสมาธิถ้าถึงวิจจารสมาธิที่เีว่าสมาธิไปกลางขนาดนี้ถือว่าจบการมาวิจางสวรรค์าม่ว่าจะตายไปแล้แหรือจะได้พบคนไหนจะไีอยูน่อไหนก็ไตาม่ได้ยิได้ดูกางตายก็ไม่ไต่อแลาว ถ้าเรนทำงานที่สมดานกับบริษัทดีแังนั้นอีกหนึ่งเป็นแม่งบริษัทชั่วโมงอย่งเนวันดีทุสองนาทีถ้าวนดีสองนาทีหมายว่าจิตสงะาจริงๆอารมณ์สบายปลอดโงโอ้ยดีเสียงไทยน่าชัดเจนใส่แต่ว่านานๆนี่ใบสบายๆไม่ลำไคลเสียงอย่างนี้ก็เรืนองจิตสุขานขั้นสูงเรื่อว่าเราจะได้่างจริงขาเราทุได้ชาตรี้ก็าะคตายเอกการมงคนแต่ก็เป็นเรื่จิตตัว เรื่องความว่าการที่บรรดาท่ะนก็จะไปสัตมุ่งวังมาเจอสมัญชักกรรมานนี้เป็นการประกาศถามเจ้าก็อาจจเป็นตอย่างน้อยที่จิตอรมณ์ของบรรดาท่านก็จะไปสัตว์ก็เอ่าทุกขามาวาสังสังข์ขึ้นเป็นโยดาได้ถ้ากำลังใจเป็นชายก็เท่าทุกขมได้ก็คือว่าทีนี้ท่านมีปัญญายการเกิดที่ท่านเกิดมาเป็นคนและถ้าตายจากความเป็นคนกระเทรดาได้ที่มีปัญญมากเยู่ล้ อาัยแต่คนดาเอวเสียปีนตก็มีใหม่มากอย่างนั้นแต่ว่าถึงจะสมารถได้ก้าวขงต้องการข้าวนาด้วยกะไม่จับภครพันเลยก็ต้องมีจับนอเซนเราพากลื่นต้นที่ว่าไปนิพพาก็แค่อารมง่ายอารของพระโสดยาวไปการจริงอยากจะสอนมากเกี่ยวันี้แต่ว่าต้องการข้าวนาจะต้องไปจับลิขินาเได้ก่อน อาเป็นในโซดาทำได้แล้วก็บากพระบุตงต่างที่ทํานั้วในการ่อนสมุดไม่มีบาสจะให้ผลเกาบไม่ค่อยดังมากให้ผลได้แล้วตายแต่ครนี้มันจะเกิดได้กับความเป็นคนหรือเป็นโยต้ากับผมกันเลยเรื่องที่เคยสั่งโน้ตตื่นเต้นใจตัวกายมันจะไปแข่งไม่มีเพราะคุณและท่านคุณทำของโสดาขีดขันไหมการเมืองอะไรแบนีาเรยนรน้าัานี้เลย เขาโศนามันใช้่ายเป็นมีความคิอยู่ว่าไม่เป็นไรในชีิเรื่งนราจะต้องตายแน่ชีวิตช่วเราไม่ต้องห่วว่ามันจะมัจะตายกัอคนตายตัวเดียงเราจะว่ามีนจะตายเมื่อไหร่ตายข้าวตายสายตายใหม่ตาเสี่ยงตายเวลาไหนก็ในการงเราาไม่ได้แต่ว่าทราว่ามันจะต้องตายแน่ก็เชื่อว่ามันจะต้องตาย เราคิดไนเลยว่าถ้าตายชาวนี้เนี่ยอย่างเลยงที่สุดเราไม่ยอมลงมาปะโยนทีคือเรองเป็นสนเรากิดเจตจาะีงอย่างเลียที่สเาเกิดเป็นคนก็นคนทดีมีความสุสมบูรีทมีปัญญาดีนีฉะนั้นเราควรจะรอตาราผมแคาเื่อขอ้เราไม่ยอมเกิดมเราจะน ใชนั่นเดียวแล้วป่อยในิพนในสามเวรเราติดวิตนี้แล้ก็ไปกับอรมณ์ช่วประิษายารใจผูเจ้าและก็ทำในฝในส่งตามที่ดมมาทานนจินมาผกลางเป็นงานรักษามิอุตังว่าเขาผเจ้าเขอถือว่าผู้เจ้าเป็นที่สทบเป็นงานทักษามิขอถือมาทำเป็นที่สุดทั้งายทั้งงานรักมิขอส่รับสองไปส ย่งากามีความจริงใจก็ถือว่าทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในะมจริงในะยสงฆ์จริ้าความป็นประโสนาธรรมเราได้เลยครับ่อมาก็พยายารักษาศินห้าให้บทคือะาระวังศีล้าศห้าเนี่ยทุกข้อจะต้องขด้วยการตัใจของเราทับอยใส่ในมืของ เรื่การ่ายเราทราบถ้นว่าในดของสุขภาน่าเ่อในเวลานี้คือต้นปลายปัจเราจะไม่จันกอยู่นะก็คือว่าเป็นคดียสองที่เราข้าในความเป็นประโยชน์ด้านหนึที่สเดียวเป็นของยังไงคือเมื่อีราคิดว่าถ้าตายคราวนี้เราต้องการกับมาเกิดเป็นมนุษยห้อางกายเกิดตัวจุบให้รางกายเกิดสุขม จุอที่เราเข้าการนั่นคือพิการเกิดเดียวรมความนะครับว่าไทยเขาต้อจะำพัทธเจ้าเขาต้องทำในพระอรสงฆ์จมีทีละรรบริสุทธิ์จิงติดเมืองวังก็ได้ฟวาเจียงเท่านี้จะเป็นประตูดานกันต่ใจก็มันดาแต้เมือเราโดยจัดทางเรากนี้จริงจริงวันนี้การเรยก็เป็นวานที่จะมาลงวิธีใส่ถึทุกคน ทานี่ได้ปิบัติแลผมไดแล้วเรื่อขการทักท้องไม่ได้จบต่อไปแต่ไปทำเพื่อคต่อไปวันหน้าถ้าทุกขท้อารมณ์งอย่นีคุณผ้ฟงก็ไม่ครดาวนช้างที่บันได้จะไม่มีเสียงเมตตจ่มใสใ่้ทุกข์ตอนนี้ไปก็ขอแนะนาในการปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ามโนมิตรจมีทิทางใจ เราแยกโย้นยิ้มใช้คำโบราวันละมัปะพะเอื้าให้ใจเข้านึกวันละมัคเอื้อลาให้ใจออกโัคปะพัเอื้อาที่ขั้มขั้ภาวนาละปล่อยใจสบายเรื่องเล็กใจ่ายเียจวุ่นย่เสียนใจนาอาจจะอะไรต้างกัมดเลยเลยเป็นดังหลักิดไม่ก็ลยโฟก็ด้กับเข้ามาใหม เวลาที่ภาวนาอยู่จงใจยากู่ใจยากคิดอะไรกมดเวลาภานาเมื有有่อเข้าใจเมื่อภาวนาใ่ไมไม่ต้คิดแเลยกัแบบจะไปจำบให้จิตีกังวลได้ะมาที่พรอารมณ์คิด็คิดกินไที่เสนอความในจิตในใจเกินไปที่ย่นยในมนึิอยากให้นอนอยากได้มีต้องภาวนาจะไยจำใเมื่อเคยต้อะไรบ้างปอให้มนาดา การคิดเมื่อมีกำลัารมก็เปทิศความเป็นทิศจริยธรรมเมื่อปัจจัยมาพักโกรนายโชคใครอย่างไรอย่างเดียวยังมีคนไปหน้าและลำสึงตัวแล้วกลายเป็นมีใครไปหน้าทำงานท่านต้องน้ำทุกท่านต้องหยุดคำโบราเสียแล้วถ้าสนใจก็รู้ใจเข้าออกฟังคำแนะนําขโพ้ดแนะนําขาพูดแนะนำแนะนอยางไรถ้าสนใจวยกามนั้น ตอนนี้อารมณ์กิเกิดถ้าเราถามวาเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีดรงดาวอะไรขางหนูหรือขณามีไหมแต่ความที่เราไม่เห็นแต่ความรู้สึกก็มนีถ้าตต่อว่ามีทันทีเขาเรียกคิดปัญญาในทางรู้การใจใจใจอีกถ้าตัางใจนั้นสองสามครั้งโอ้พวกสองก็เย็นใจสบาติขดีขึ้น เาก็ในจิตใจเสีนไอ้ความรู้สึกเรามีจะระมเมื่อกลับเหมนภาพจริงยหลังจะได้ครัวนั้งขึ้นตัทยาเมื่อมีเจดียสถานความสว่างสวายจะมีซึ่งกันเดิมเป็นพระเศเมื่อถึงวันธรรมดาเมื่อวันเจดีสถานครก็จะนำบผิการตอนนี้ระดับจิตสำคัญเราบริการน่ารักน่าอยู่อย่างไงเวลาต่อไนี้ใจเรื่องใดเราก็เลยปฏิรูปหายทางกายเพื่อระดมจิตให้มัน ท่นเราท่านโูมใหม่ไม่ใช่ธรรมนาวันะมาราชจะร้อยใจคข้าด้วยกันนักมาร้้ยใจออกมาราท่านเราท่านมีจตสักจอมการท่องเที่ยววิญาณแตกได้ใช้หลงนิดเลืกเสืออ่อนเพื่อจะทำมาเพื่อเจ้าได้ชัดเจนแอบไปสมหดใจ่ไว้ในรูปน้วงเด็กเก่าเมื่อเวาครูนาท่านคือไปได้แต่งจะท่องตัวแล้วม่อยให้ัวนี้ไต่อไปรื่